น์ชีตานุรติมบิสมิลลาฮิราะห์มานุรรฮิมอินัลฮมดลิลลาฮินะ์มดุ و س ت ع ئ ن ุห و ن ر و ح د ي بالله من شر ن ا و س ي ا ع م ل ما يهده ل ه فلا م د ل ه وما ي د ه ف هذي ا ل ع ا ل س ل ا م ع ل ي ك و ر ح م الله ب ر ك ا ت ครับวันนี้เรามาคุยกันในส่วนของ สุรที่1 0ึ่นะครับก็คืออัลกอริยาอัลกอริยถ้าแปลตรงตัวก็คือวันที่น่าสะพนกลัววันที่น่าสะพนกลัวเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มก็ขอประดินอ่านก่อนนะครับผมยังดังไปเลยไม่ต้องไอเอ้อ لا من أ و ل ن ف و ه فارض، لمن س ر فاتكل نفوسه مُكالِب مِنْ م َ س ر فأما من ت ك ل َ ت م و ا ز ي ن فهو في عيشة غازية، وأما من قفَّت موازينه فأمّه هاوية، وما ا ل ر ا مائية نار ا م ي ة نار الحية. ฟุตออะไรกุมครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในส่วนของซุรออะลกอริยาหรือก็คือวันที่น่าสะพึงกลัวซึ่งพวกซอลได้ทรงกล่าวในกุรานโดยใช้เรียกด้วยกับคําว่าอัลกอริอาอะลกอริอาและในสุรา this น, นะครับพวกซอลก็ได้ทําการย้ําย้ําอย่างที่พวกเราทราบก็คือท่านอับดุลเลาะห์มุสลิมลองอัลลอฮ์สละมเวลาที่ท่านสอนเวลาที่ท่านพูดอะไรก็ตามถ้าท่านต้องการจะเน้นอะไรท่านจะเน้นถึง3มรอบด้ยวยกัน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ฟังนั้นได้ตามทันแล้วก็ได้เข้าใจความหมายจริงๆในกุรฎานครับพวกเราก็ใช้สำนวนรูปแบบนี้ค่อนข้า ง, งจะบ่อยซึ่งเราก็ผ่านมาแล้วเช่นอัลฮะคุมุตะกะฮัตอัลฮะคุมุตะกะซุดฮัดตาซุดตุมุลกาบิดกะลาซอฟตะลาโมนซุ่มกะลาซอฟตะลามุนกะลาลาตะลาโมนนี่มันอยากินก็คือที่เราผ่านไปแล้วความเดิมตอนที่แล้วก็คือแล้วเจ้าจะได้ได้รู้แล้วหลังจากนั้นเจ้าก็จะได้รู้ก็คือไปสำนวนในกุฎานที่ว่าจะใช้การเน้นเพื่อให้เรานั้นได้ ให้ความสําคัญตรงสิ่งที่พวกเราต้องการใช้เรามีความสําคัญครับวาเลคุสซารามอตุลลอห์วะบารอกาทุกครับผมวันที่น่าสะพึงกลัวนในที่นี้พวกเราว่าพูดหมายถึงวันอะไรหมายถึงวันอะไรอัลกออรียาในที่นี้นักวิชาการหรือนักทฤษฎีมีความเห็นต่างกันว่าอัลกอร์ยาเนี่ยหมายถึงวันซะอัสซะหรือว่าหมายถึงอัลกิยาไหมาอัลซะกับอัลกิยาไหมาต่างกันยังไงครับอัลซะกับอัลกิยาไหมา ถ้าเกิดอัสสะก็คือวันสุดท้ายของโลกกุญยาวันสุดท้ายของโลกุญยาในกุรุลัทธเรียกว่าอัสสะอัสสะแต่ถ้าหากว่าวันแห่งการฝื้นคืนชีพเพื่อมาทําการสอบสวนเนี่ยเป็นชื่อที่พวกเรามักจะเรียกกันก็คือวันกิยามะซึ่งก็มีชื่อมากมายซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูของเชคกุรตูบีหรือว่าเชคอิมมุกซีดเองในทัศซีหลายท่าน ผลสรุปที่ได้มาก็คือว่าเราอาลัอาละไรเราเชื่ออัลกอริยาเนี่ยใช้เรียกทั้งสองวันเลยเพราะพวกเราพูดถึงวันที่มีความน่าสะพรึงกลัวซึ่งถ้าเราดูในเนื้อหาของสุรานี้จะพูดคาบเกี่ยวทั้งช่วงของวันสุดท้ายของโลกดุนยาแล้วก็สภาพความน่าสะพรึงกลัวของวันแห่งการสอบสวนจะมีคาบเกี่ยวทั้งคู่เพราะฉะนั้นอัลกอริยาจึงสามารถสื่อได้ทั้งสองทั้งสองวันก็คือวันสุดท้ายของดุนยาแล้วก็ วันแห่งการสอบสวนสองวันนี้ห่างกันกี่ปีครับใครทราบบ้างติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กห <100. S 1> ้าร้อยปีประมาณว่ารอไล้ลำครับประมาณ500อปี <S <S <S <S ก็คือหลังจากที่ว่าพระองค์ละให้ทุกอย่างในดุนยาเนี่ยได้แหลกลานไปแล้วหลังจากพกระองค์ละทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในโลกดุนยาไปแล้วพวระองค์ละก็จะปล่อยทิ้งช่วงและเวลาไปช่วงหนึ่งที่ว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากพกระองค์ละผู้ทรงสูงสูงและนอกจากสิ่งที่ ล้อแสดงที่รู้ว่าจะมีอะไรบ้างวันละอารามพวกเราก็จะทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ที่พาทของโป่งซึ่งเมื่อวานอาจารย์นวุฒิก็ได้คุยแล้วเกี่ยวกับคุณลักษณะของล้อใช่ไหมครับเราเชื่อตามที่โป่งบอกจบแค่นั้นแต่ในฮาริสซีนบีบอกก็คือว่าแล้วพวกล้อก็จะถามว่าไหนล่ะพวกที่ย่อดยิงจองของหายไปไหนหมดไหนล่ะคนที่คิดว่าตัวเองแน่คนที่คิดว่าตัวเองเก่งคนที่คิดว่าตัวเองนั้นเหนือกว่าคนอื่นหายไปไหนหมดก็คือไม่เหลือไม่เหลือหลังจ้วพวกเราก็จะทิ้งช่วงไว้อย่างที่ว่าก็คือลลออามมามรรบปปะณ500ี แล้วพวกอาร์ล็อกก็จะเริ่มฟื้นคืนชีพฟื้นคืนชีพใครก่อนครับอ่ามีคีดลับแต่ชัวๆก็คือต้องคนเป่าอ่าทันิสราฟีนไม่งั้นไม่มีใครมาเป่าแปลว่าคนเป่าเองก็เสียชีวิตไปด้วยเสียชีวิตไปด้วยแจ้งเข้ามาเรื่มมรง อ, องา ม, ม, มาเลกาทั้งหมดก็ต้องต้องซูดกันหลายคนพวกามารถถ์ลอกละมาร์ล็อกท่านที่ดูครับมีคีดลับว่าอย่างมาเลกาที่แบกอาร์ัชเนี่ยจะ เสียชีวิตไปด้วยไหมหรือว่าไม่เสียชีวิตแต่ก็คือเราก็พูดได้แต่เพียงว่าอาลัลลอฮฺเท่านั้นที่รู้แต่ที่แน่แนก็คือดุนย์าทั้งหมดนี่คือไปหมดครับดุลยานี้คือไปหมดมนุษย์ไปหมดคือไม่มีใครเหลือแล้วหลังจากนั้นก็จะพวกก็จะเริ่มฟื้นคืนชีพมนุษย์มาซึ่งแต่ละคนก็ฟื้นคืนชีพมาตามสภาพการงานที่เขาทําครับต่อให้เป็นคนดีถ้าเกิดว่าทําอะไรผิดพลาดไปก็อาจจะได้ร่างกายที่มีตําหนิไป มีตันต์ไปอย่างที่ว่าผมโพสรู้สึกเป็นประเด็นนิดนึงรู้สึกพ่อบ้านบางคนจะไม่ค่อยจะคอมเมนหน้าผมเล็กน้อยครับมีพ <c oughs> ่อบ้านคอมเมนะ์ะนนิดน้อย <c oughs> <c oughs> ครับคอมเมนต์ครับแม่ครับผมก็คือที่ท่านเบียสเลอ ร, ร์สลัมได้เตือนไว้นะครับในเรื่อขยมอับุลอาบูดะบุสแล้วก็ในอีกหลายสายรายการขอยมาอามั ด, ดแล้วก็อีกหลายท่านก็คือที่พูดว่าผู้ชายท่านใดก็ตามที่ว่าบางคนอาจจะมองว่าโชคดีบางคนอาจจะมองว่ามีอามานะเพิ่มขึ้นมองยังไม่รู้แหละ ผู้เดก็ตามที่ว่ามีแม่บ้านสองคนขึ้นไปแล้วถ้าถึงเวลาปุ๊บเขาเอียงไปหาคนหนึ่งมากกว่าอีกคนโลกหน้าพวกเราจะฟื้นคืนชีพเขามาให้มีลักษณะที่ว่าครึ่งหนึ่งของเขาเอียงไปด้วยคือต่อให้เป็นคนดีต่อให้เป็นอะไรก็คือจะได้ร่างกายอย่างนั้นไปแล้วก็วรอร์รั์เราบอกร่า น, นที่รู้ว่าร่างกายนี้จะต้องได้ไปนานแค่ไหนบางคนก็อยากรู้ว่าไอ้ที่เอียงในเอียงยงัยงไงก็เปรียบเทียบง่ายๆยกตัวอย่างเหมือนกับว่าสมมุติ เราลองจินตนาการคนที่ว่ า, าขายยาวไม่เท่ากันนะครับขายยาวไม่เท่ากัน เ, เวลาเดินเดินยังไงขายขายวงร้อนว่ารำร้อนท่ า, า, ทาดูก็ขออนุญาตชาวร้อนนะครับให้เรารอดพ้นจากการเป็นคนที่อาจทรรมในทุกรูปแบบคือคนที่มีภรรยาคนเดียวก็อาจทำภร ร, รยาคนเดีย ว, รรยดยวได้ไม่ใช่แบบขอ ว, ว่ามีสองคนจะทำได้อย่างเดียวจะมีสามี4ี่ก็คือกุลกุมร้อนอินวร์กุลกุมมัสอุลนอร์อียะติฮีพวกท่านทั้งหลายนั้นมี ภะหนา้นาที่รับผิดชอบแล้วพวกท่านนั้นจะต้องถูกสอบสวนเพราะ น, นั้นพ่อบ้านถูกสอบสวนในหน้าที่ของพ่อบ้านแม่บ้านก็โดนในส่วนของแม่บ้านลูกบ้านก็โดนในส่วนของลูกบ้านทุกคนโดนหมดทุกคนโดนหมดก็คือผมไม่อยากให้เรารู้สึกว่าพอเจอฮะดิษอะไรก็ตามที่เหมือนกับจะไปเขมงวดกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอีกฝ่ายนึงก็จะยิ้มคุ้มจีมคุ้มจีมแบบหืสอบๆโดนแล้วโดนพ่อโดนพ่ออะไรประมาณนี้ คือการเตือนของท่านลบีเป็นการเตือนที่มาด้วยความรักมาด้วยความรักโดยเพราะเตือนผู้สักกาเพราะนั้นท่านก็เป็นห่วงคือไม่อยากให้พวกเราถ้าเกิดว่าใครที่เอ่อพวกอัลลอฮ์ได้ให้เขามีความสามารถมีภรรยามากกว่าหนึ่งก็ขอให้เขาจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากมเพราะว่าสิ่งที่ท่านลบีมัสลิมส์เป็นห่วงมากที่สุดแล้วที่ท่านลบีฝากพวกเราไว้ทุกคนก็คืออูซีกุลฟินิซาอเคฟก็คือฉันขอสั่งเสียพวกท่านไว้ว่าให้ดูแลผู้หญิงให้ดีดูแลผู้หญิงให้ดีก็คือท่านลบีเป็นห่วงมากเพราะว่า ในโลกคุณยาหนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีรักมากที่สุดชอบมากที่สุดก็คือผู้หญิงไม่ได้ชอบในเรื่องของเป็นเครื่องสนองอความต้องการทางเพศหรือว่าอะไรแต่ก็คื อ, อรักในฐานะเหมือนกับที่ว่าพ่อคนหนึงเท่าที่พ่อคนนึงจะรักลูกสาวตัวเองครับนั่นคือความรู้สึกของท่านบีมัสรอซัมที่มีตาอุมาโดยเฉพาะมุสลิมะเพรา ะ, ะนั้นท่านนบีให้เกียรติผู้หญิงเราในฐานะที่เป็นอุมมาของท่านก็ต้องให้เกียรติกับผู้หญิงของเราเช่นเดียวกัน แล้วก็อย่าลืมว่าเมื่อแต่งงานไปแล้วประโยคที่ชอบพูดกันบ่อยๆก็คือการแต่งงานเป็นเรื่องคนสอคนมันไม่ใช่มันมีคนอีกมากมายโดยเฉพาะลูกก็คือหลายๆคนส่วนใหญ่ก็คือมันจะมีทะเลาะมีอะไรยังไงก็ให้คิดถึงลูกไว้นะครับ <c oughs> บางทีก็ไอ้เรื่องระหว่างเราเนี่ยเดี๋ยวไปเคลียร์กับลูกหน้าเขาบอลล็อกก็ได้ซึ่งวันนี้น่าจะได้คุยกันหลายประเด็นหน่อยเอากลับมาที่อัลกอริยะม ก, กัน <c oughs> เดินเอีงน่าจะจบแล้วนะครับเพราะมีคนถามหลังไม่มาหลายคนผมก็เลยว่าเอาคุยให้มันจะจบไปทีหนึ่ง คุณอาเดินตรงนะครับ <sh> อิลอ <c oughs> พี่ชา ย, า, ายนะครับอินชาลพี่ชายอาจารย์มันเกียอินชาลอเดินตรงอินชาลอนะครับผมพี่ชายหมายถึงอ้ายนะครับอินชาลออาเมนครับผมต <c oughs> อบขึ้ตรงแนวเลยนะครับตรงแนวตรงแนวเลยครับตรงแนว <c oughs> เอากลับมาดูในกุศลครับในสุลต่านกอริยามีทั้งหมด1ิอายะสิบเออายะครับพระองคเราเริ่มสามอายะแรกเกวยกับการยามก็คืออัลกอริยะวันที่น่าสะพึงกลัวหรือว่าสิ่งที่น่าสะพึงกลัวนั้น ว่มาอัลกออริยมัลกออริยมัลกออริยาย้อีกครั้งหนึ่งก็คือแล้วอะไรล่ะคืออัลกออริยว่ามาอดรอแกมัลกออริยแล้วอะไรล่ะที่ทำไม่เจ้าได้รู้ว่าอัลกออริยนั้นคืออะไรก็คือย้ําถึงสามครั้งก็คือสติน่าจะเริ่มมาแล้วคนฟังคือถ้าย้ำสามครั้งแล้วสติไม่มาก็แปลว่ามีประโยชน์ละไมมีประโยชน์ละ สครั้งนี้ถ้าเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยน่าจะอยู่เอาอยู่ละจบละพวกเราบอกไว้ครับเย้ามะยากูนุนนาสุกลฟาร์ชินมาบัสูสในวันนั้นนะครับวันที่เยาา้ามะวันที่มนุษย์นั้นจะเป็นเช่นมแมลงเม่าที่บินว่อนถ้าหมายถึงอสสัศะความหมายก็ชัดเจนถ้าหมายถึงอัลกิยามะความหมายก็ชัดเจนนะกูจะหมายถึงวันไหนก็ชัดเจนคือถ้าเกิดเราคิดถึง วันสุดท้ายของโลกดุนยาอย่างที่ท่านนบี ว, วัส ล, ลอสลิมได้บอกกับพวกเราไว้ก็คือความเมตตาสุดท้ายของอัลลอฮ์บนดุนยาก็คือการที่พระ อ, องค์จะไม่ให้ใครที่รู้จักพระ อ, องค์ใครที่ศรัทธาต่อพระ อ, องค์แม้แต่นิดเดียวพระ อ, องค์จะไม่ให้เขาได้เจอกับความน่าสะพึงกลัวของวันสิ้นโลกก็คือวันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นกับกลุ่มชนที่ชั่วหลายที่สุดในหน้าบริษัทนิสัยชาติเท่านั้นท่านนบีมุสลิมบอกว่าวันเกว่าจะไม่เกิดขึ้นนอกจากกับคนที่ชั่วหลายที่สุด ดังก็ขอดูอาต่อเลาะ ว, ว่าพวกเรานั้นอยากได้มีโอกาสได้เจอพบเจอวันเกียยมอสซาบนสิ้นโลกครับแต่เ น, น, นั้นพวกเลาะบอกเลยครับในวันที่มนุษย์นั้นจะเป็นเหมือนกับมแมลงที่บินว่อนไปหมดมีบินตกไฟมั่งมีบินคือสเปซ ส, สปา่าคือมันจะเละเทะเลยพวเลาะเปรียบเทียบสภาพมนุษย์ในวันสิ้นโลกว่าความโกลาหน ความโอลมานเนี่ยมันน่าสะพรึงกลัวจนกระทัง่งว่าไม่มีใครสนใจใครอูดที่ว่าท้องสิเดือนที่ว่าส่วนใหญ่คนในระดับจะเพราะคบปังงมมันก็ถูกทอดทิ้งคนที่ว่าพูดกันรักกันแค่ไหนก็ตามถึงเวลาก็คือเพื่อความกลัวต่างคนต่างทิ้งกันไปหรือแม้แต่แม่ที่ว่ากําลังให้นมลูกก็ทิ้งลูกได้เลยผู้หญิงท้องก็แทงได้และที่วมอราบอกต่อมาคืออะไรครับ วตกูนุลูิ น, นบางฟูชและหมู่ขุนเขานั้นก็จะเหมือนเป็นกับขนสัตว์ที่ฟุงว่อนซูฟซูฟก็คือขนสัตว์ที่ถึงขนแกะครับขนแกแะเราโกนขนแกะมาแล้วก็จับป่วยป่วยก็คือมันก็จะเบาเป็นละอองแล้วเราคิดดูว่าละอองที่ว่านั้นมันเป็นภูเขาภูเขาซึ่งพวกเราใช้คำว่าไงครับชบ้าล ผู้เขาทั้งหลายผู้เขาทั้งหลายซึ่งอันเลยที่นี้ถ้าเกิดมีความหมายว่าผู้เขาทุกลูกแล้วก็ลองจินตนาการว่าถ้าเกิดผู้เขาทุกลูกบนดุนยากลายเป็นฝุ่นละเอียดมันจะขนาดไหนคือขนาดถ้าเกิดเราช่วงนี้ถ้าเกิดใครเดินทางไปเชียงรายใช่ไหมครับเขากําลังทาถนนอยู่ ต้องมีการระเบิดภูเขาต้องมีการเจาะอะไรนี่คือฝุ่นเต็มที่เลยแล้วถ้าเกิดภูเขาทั้งลูกกลายเป็นฝุ่นโลกนี้มันจะอยู่ในสภาพไหนแล้วก็ไหนจะมีเสียงกัะพร้าคไหนจะเห็นดวงอาทิตย์ที่ว่าดับแล้วก็ถูกม้วนต่อหน้าต่อ ต, อตาแล้วก็เหมือนกับท้องฟ้าเนี่ยถูกกระช า, ากแกะที่เห็นท้องฟ้าทั้งหมดนถูกกระชากลาวนะล่วงทีแล้วดวงดวงสภาพความน่าสะพรึงกลัวในวันนั้นนี่คือเกิ น, กนจินตนาการแล้วชี้แน่แน่ก็คือว่า เป็นความน่าสะพึงกลัวถึงขั้นว่าทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดนั้นไม่สนใจอะไรอีกแล้วแล้วก็เสียชีวิตไปด้วยกับการเป่าสูรที่พวกเราใช่ไมครับเป่าสูรทุกอย่างก็จะเสียชีวิตไปพเพราะว่าบอกไงครับฟาอัลมามันตะกูลเลมาวาจีนุในอายะที่6หลังจากที่เราพูดอธิบายถึงอัลกออริยแล้วก็พูดถึงวันที่มนุษย์นั้นจะปิวันซึ่งถ้าเกิดว่าในช่วงแรกเนี่ยเราแปลว่าเป็นวันสิ้นโลก ก็แปลว่าพอจบบันซิโลปุ๊บตอนนี้ก็มาตัดฉากมาที่วันกียรมะวันแห่งการฟื้นฟื้นชีพเพื่อรับการสอบสวนซึ่งหนึ่งวันนั้นใช้เวลา5 0,000 ปีอย่างที่พวกเราทราบกันดีฟาอัมมามันสักูลัสมวาซีนุหูผู้ใดก็ตามที่ตาชั่งของเขาหนักตาชั่งของเขาหนักก็คือถึงเวลาปุ๊บในเรื่องการสอบสวนเนี่ยขั้นตอนทั้งหมดเราจะได้คุยกันอย่างละเอียดอีกทีเมื่อถึงเวลา พลโนวานยุสออมาเนี่ยจะมีการพูดถึงสภาพวันสิ้นโลกกับวันเกียร์มาเน่ยอีกหลายที่เดี๋ยวจะคุยกันอย่างละเอียดอีกทีว่าขั้นตอนแต่และช่วงเราจะเจออะไรกันบ้างเน้นเฉพาะวันเกียร์มานะครับส่วนเรื่องของสัญญาณวันสิ้นโลกคงจะไม่ต้องคุยอะไรกันมากคือถ้าเกิด ว, ว่าอยากคุยอะไรกันเดี๋ยวก็ถามกันมาเดี๋ยวค่อยคุยกันในโลกหน้านะครับพวกเราจะให้มีการยื่นบันทึกที่พวกเราทําทั้งหมด ก็คือพวกเราจะยื่นมาเพื่อให้เราได้อ่านก่อนให้เราได้อ่านซึ่งถ้าเกิดว่าบรรดาผู้ไปเซสตาเขาบอกไ่าเข้มาในหารกขอับแล้วอยู่ว็ได้เล็กอแตเราไม่ใหล่ละตันอิลล่าอาซาฮาฟะบะจูมาอาดิ์ทำลูกานรอ่านครับแล้วเขาจะได้รับการหยิบยื่นหนังสือบันทึ ก, ท, กที่เขาบันทึกไว้ที่วอเมริกาบอกยิบกับอาตีทํ า, าทการบันทึกไว้ที่เขาทําไว้ พอรอยยืนให้เขาอ่านหยิบยื่นให้เขาอ่านแล้วเขาก็ได้บอกว่ามาลีฮัสเตกีตารนี่มันหนังสืออะไรกันทําไมมันถึงบันทึกอย่างละเอียดยิบมันไม่มีเรื่องอะไรหลุดรอดไปได้เลยเหนือเราคิดดูว่าหนังสือที่รวบรวมชีวิตเราทั้งชีวิตอะครับจะเป็นยังไงคือเราไม่ต้องเอาดุลยาไปเทียบถ้าดุลยาไปเทียบบางคนคงจะบอกว่าหนังสือคงจะเป็นพันเป็นพั น, เ ป, น, พนเป็นหมื่นเป็นแสนเล่มแต่นี่คือความสามารถของล้อครับที่บอกก็คือหนังสือเล่มเดียว เราได้มาปุ๊บเป็นยังไงวะเราว่ารำถึงเวลารู้แน่ไม่ต้องใจร้อนรู้แน่แล้วทั้งหมดในเล่มที่ว่าเนี่ยมีหมดเลยที่ทําทุกอย่างไม่มีอะไรที่ลอดพ้นไปจากบันทึกเล่มเนินได้เวลายัตสลิมูรับปูกาอาฮาดาล้วพวกราบอว่าแล้วพวกเรานั้นไม่ได้อาทามพวกเจ้าแม้แต่ซักเรื่องเดียวหลังจากนั้นครับก็จะไอตอนที่ยื่นคัมภีร์เนี่ยจะมีการรับแบบไหนครับบางคนก็รับมือขวาอย่างที่พวกเราทราบ คนรับมือขวานี้ อ, รระนะอาจทำเดรลจฉานะขอตัวจากเราให้เราเป็นผู้ที่ได้รับบันทึกของพวกเราด้วยกับมือขวาถึงจะอ่านแล้วเสียวหน่อยแต่ก็ก็มือขวาก็จบละครับแยกกว่านั้นคือมือซ้ายถ้ามือซ้ายนี่มันต้องมีเสียวสิครับ <c oughs> ขนาดนาบีที่ประเสริฐกว่าเรา <c oughs> บรรดาอัลบิยะที่ประเสริฐกว่าพวกเรา <c oughs> ยังมีเรื่องเสียวเลยยังมีเรื่องกลัวเลยครับ คิดว่ารอดยังมีเสียวอยู่กืบมีเสียวอยู่เพราะว่าไม่มีอะไรดุดรอดไปไงครับแย่กว่านั้นคือรับมือซ้ายรับมือซ้ายนี่คือครับตัวยาเะโอซูบูรอก็คือได้แต่อุทธานว่าคือในกุรานถ้าเป็นสำนวนคนไทยที่เขาพูดกันก็ตายแน่ไม่รอดเอหยยนะแล้วครับคือไม่รอดแน่แน่หนักกว่ามือซ้ายคืออะไรครับรับจากข้างหลัง รับจากข้างหลังไปว่าอะไรครับเพ <Yes. S 1> ื่อให้เอามือทะลุ oh. ร่างกายตัวเองชะลุออกไปเพื่อที่จะไปรับนโอซบิ oh. ไม่ใช่ล้วงธรรมดาก็คือชะลุเลย oh. คือมันน่าจะตายแต่อย่างที่เรารู้คือมันมันไม่มีคาว่าตายแล้วเมื่อมันไม่มีคาว่าตายมันคือแค่รับก็ทรมานแล้ว เพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดว่าหลังจากรับอะไรจะเกิดขึ้นอีกสําหรับคนกลุ่มนั้นอุซูบินดาร์น้ขอรัคุ้มครองพวกเราให้เราพ้นจากการเป็นคนกลุ่มนั้นขอให้เราอยู่คนรับมือขวาก็พอแล้วครับอะไรจะเกิดก็ขอรับมือขวาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรับมือขวาเริ่มต้นง่ายที่สุดในดุนยาครับอะไรที่ดีงามทําด้วยกับมือขวาเยอะๆซาเนบีรับมือขวารักชอบที่จะทําอะไรดีงามด้วยกับมือขวาเข้ามาสิษย์ด้วยกับมือขวาอ่านกุรานจะหยิบอะไรก็ใช้มือขวา แต่ถ้าเกิดจะชํามะล้างสิ่งสกปรกก็ใช้มือซ้ายแล้วถ้าเกิดเวลาตบตีภรรยาใช้มือขวามมือซ้ายครับตบขวาดไม่าีบีวาตบขวาตบขวาตบขวาตบขวาตบขวาตบขวาตบขวาตบขวาตบขวาตบขวาตบขวารบขวาตบขวาตีขวาเรข่าตบขวตบขวาตบขวาตบขวาตบขวาตบขวาตบขวาตบวาตบขวาตบวาาตบขวาตบาาตบาตบาบววา เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีการพูดถึงผมขอใช้โอกาสนี้พูดถึงสักเล็กน้อยพูดสักเล็กน้อยถ้าเกิดแม่บ้านไม่สบายใจผมขอมาฟด้วยแต่มันคือสิ่งที่พอ่อเลาะอนุญาตไว้ให้ในกุระนคือหน้าที่ของพ่อบ้านคือต้องให้การอบรมแม่บ้านเริ่มต้นจากพ่อบ้านต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ได้ก่อนคือพ่อบ้านต้องทำให้ได้ก่อน แล้ถ้าเกิดเพราะว่าเป็นแบบแบ่งที่ดีแล้วแล้วจะไปเจอภรรยาที่แบบว่าดื้อในเรื่องศาสนาดื้อในเรื่องคําสั่งใช้ของล้อดื้อในเรื่องคําสั่งของสารสูตรเพระาะเราอนุโลมให้คนเป็นพ่อบ้านสามารถตีภรรยาได้โดยมีเงื่อนไขสองข้อมีเงื่อนไขมีเงื่อนไขเงื่อนไขข้อที่หนึ่งห้ามยุ่งเกี่ยวกับบริเวณใบหน้าเด็ดขาดคือจะทําผิดอะไรยังไงแค่ไหนห้ามยุ่งกับใบหน้าเด็ดขาด กรณีที่สองก็คือต้องเป็นการตีเพื่อสอนไม่ใช่ตีเพราะโกรธเงี่ยไขสองข้อซึ่งผมยังไม่เคยเจอใครทาได้ผมยังไม่เคยเจอคือส่วนใหญ่ถ้าคนที่ครบเงี่ยไขสองข้อเขาก็มักจะอดทนมักจะไม่ตีเพราะท่านบีก็ไม่เคยตีใคร<ม>เพียงแต่ว่าอนุโลมเพราะว่าบางเคสเราไม่รู้เพราะว่าสามีภรยาบางคู่นี่เจอภรยาแบบห<ม>นักมากมื อ, อไม่ใช่แบบพวกเราคือเป็นภรยาที่แบบว่าถึงขั้นแบบ เลว้ายแล้วอ่ะครับอารามยไม่มีไม่มีครับอามดีแล้วถ้าไม่มีคงไม่มานั่งตายครับอุ stad อุ stad สละเวลาแล้วก็มาฟังนี่มาชาวร้อนนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ากลุ่มที่แบบว่าสุดๆเลยผู้หญิงที่แบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวแบบว่ามีสามีแล้วชอบเอาตัวไปเกือกัวกับผู้ชายคนอื่นอีกหรือว่าอะไรก็ตามแต่ประมาณนะครับผมมันมีซึ่งถ้าเกิดถึงเวลาจําเป็นต้องสั่งสอนพอล็อกกัสโนโนว่าให้ตีได้แต่ยังไงสองข้อคืออะไรบ้างนะครับข้อแรกห้ามยุ่งกับใบหน้าเด็ดขาดห้าม ครับห้ามยุ่กับใบหนะ้าข้อที่สองก็คือต้องเป็นการสอนไม่ใช่ใช้อารมณ์ซึ่งข้อสองในยากที่สุดละเพราะไม่ต้องพูดสามีตีภรรยาเอาแค่พ่อแม่ตีลูกก็แทบเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะส่วนใหญ่ถ้าตีปุ๊บมันต้องมีอารมณ์เข้ามามันต้องมีอารมณ์แล้วพอมีอารมณ์ปุ๊บก็ชอบอ้างเอาความดีใส่ตัวว่าตีพอลักไม่ใช่ครับตีพอลักกับตีพาโกรธไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน ถ้าตีพ่อรักเนี่ยมันใจเย็นได้อยู่มันรอได้อยู่มันพูดคุยกันได้อยู่นี่นะตอนเนี้ยที่พ่อจะตีลูกที่แม่จะตีลูกเนี่ยจริงๆแล้วพ่อไม่ได้อยากตีลูกแต่พ่ออยากจะให้ใชัยตอนมันออกไปจากตัวลูกไม่อยากให้มันสามารถมีทุพลต่อลูกได้ก็คือพูด ด, ด้วยเหตุด้วยผลคือการตีเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นรูปแบบสุดท้ายที่เราจะใช้ท่านาบีบอกว่าถ้าตีนะครับเผื่อพ่อแม่จะได้รับรู้ไว้นะครับ ท่านนบีอนุญาตให้เราตีลูกได้ต่อลูกอายุเท่าไหร่ครับในเคสไหนทิ้งละหมาดแปลว่าท่านนบีบอกไหครับสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับมุสลิมผู้ศรัทธาคือการละหมาดเพราะฉะนั้นถ้าลูกไม่ยอมละหมาดใช่ไหมอายุเจ็ดขวบท่านนบีบอกไงครับต้องใช้แล้วนะต้องเริ่มใช้แล้วต้องเริ่มจี้เขาระะมาละหมาดมาละหมาดละหมาดพอครบสิบขวบถามว่าสิบขวบเนี่ยบรรลุศาสนาภาวะหรือยัง อ๋อเราเอาผิดได้ยังน้องไม่เอาผิดแต่ต้องเริ่มแล้วเพราะถือว่ามันเป็นช่วงหัวเรื่อยหัวต่อของเขาแล้วถ้าตอนนี้เอาเขาไม่อยู่เขาโตไปนี่คือเหมือนกับไม้ดักที่ว่าไปดักตอนแก่มันมีเวล์แล้วท่านอบีก็บอกว่าให้ตีเขาซะถ้าสิบขวบแล้วเขายัางไม่ละหมาดตีให้รู้ว่าเพราะเขาไม่ละหมาดพ่อแม่เลยต้องตีแต่ไม่ได้พูดถึงกรณีอื่นเลยไม่ได้พูดถึงกรณีที่ว่าไม่เชื่อฟังคําสั่งพ่อแม่ทําให้พ่อแม่เสียหน้าทําให้ของแตก หรือว่าอะไรก็ตามแต่ไม่มีพูดถึงเลยแปลว่าในคําสอนของอิสลามปุ๊บเรื่องของการตีการลงไม้ลงมือเนี่ยเป็นทางเลือกสุดท้ายหลังๆเลยหลังจากที่มันไม่ได้จริงๆแล้วก็นีเรื่องที่มันสําคัญที่สุดจริงๆเพราะถ้าเราดูแบบอย่างของทนรบีวัสละลองอัลเลย์สลัมประการแรกท่านไม่เคยตีภรรยาไม่เคยตีลูกไม่เคยตีคนรับใช้ไม่เคยตีใครเลยไม่เคยแม้แต่จะด่าว่าใครไม่เคยแม้แต่จะพูดว่าทําไมถึงทําอย่างนี้ คือสำหรับเรานี้เป็นประโยชน์นพื้นฐานแล้วไงทำไมลูกทำอย่างนี้อ่าพื้นฐานประโยชน์พื้นฐาน น, านี้ท่านนบีอัลสลามไม่เคยพูดกับใครเลยอันนี้คือแบบอย่างของมุสลิมเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาตัวบทอะไรไปใช้เนี่ยเราก็ต้องดูแบบอย่างพฤติกรรมของท่านนบีอัลสลามเป็นหลักด้วย <c oughs> แต่ก็มีในบางเคสเฉยๆครับ <c oughs> อย่างลูกออกไปอย่างเงี้ยฟังบรรยายกับลูกเนี่ยหัวดได้ไหมครับ <c oughs> ไม่ได้อ้าวหัได้เลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ย ว, ไ ม, ยวไม่เกี่ยวนะครับ ในเรื่องการใช้กําลังในบ้านนะครับอิสลามค่อนข้างจะต่อต้านค่อนข้างจะต่อต้านโดยเพราะสามีภรรยาสามีตีภรรยานหนักแล้วภรรยาตีสามีนี่ยิ่งสองเท่าทําไมถึงสองเท่าครับเพราะโดยธรรมชาติแล้วภรรยาต้องต่ออาต่อสามีการที่ตีสามีก็คือพยาโดนสองต่อเลยคือภรรยาไม่มีสิทธิ์ในเรื่องของการไป กาเกณฑ์บังคับสามีทำได้คือไซโคซึ่งผมมั่นใจว่าแม่บ้านไซโคเก่งอยู่แล้วแต่ว่าไซโคหมายถึงว่าเขาจับจับเส้นผู้ชายเก่งครับใช่สิพี่ตั้งแต่อยู่มาพี่ไม่เคยฟังน้องเลยสิน้องนั่นแหละเดี๋ยวผู้ชายไปนะเกือบหมดนั่นแหละคุได้เห็นด้วยไหยครับเห็นด้วยนะครับอร่อนด้วยผ่าแนวรั่วผ่าแนวรั่วทำไมแม่บ้านมองแบบพี่ไม่เคยและตอไม่เคยเชื่อฟังอะไรฉันเลย สิ่งที่หนักที่สุดสําหรับผู้หญิงคนหนึ่งก็คือการต่ออาสามีแล้วสิ่งที่หนักที่สุดสําหรับผู้ชายก็คือการดูแลภรรยาครับหนักกันคนละเรื่องหนักกันคนละเรื่องถ้าเกิดใครทําไม่ดีก็เรื่องที่เขาไม่ดีเนี่ยเขาต้องไปตอบอ้อนะอนเราทําของเราให้ดีแล้วถึงเวลาเราไปหัวลราเขาลูกหน้าก็ยังไม่สันไม่ยังไม่สายยังไม่สายนะครับผมมีคนพูดเขาพูดว่างไงนะครับการแก้แค้นก็เหมือนกับวายแหละครับยิ่งหมักหมมยิ่งบ่มยิ่งอร่อย เพราะฉะนั้นถ้าเกลียดเขาสุดๆมีไงบางคู่เกลียดกันจริงๆรอโรคหน้าเลยก็ได้โรคนี้ทําดีกับเขาเยิ่งๆเลยนะโรคหน่าล้อก่อนออ อ, อะไรประมาณเนี้ครูสิลอาไว้ว่าเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดอัลลอฮ์กล่าวในคุรานว่าจงยึดซึ่งการให้อภัยเพราะถ้าเราให้อภัยใครอลัลลอฮ์ก็จะให้อภัยเราเพราะฉะนั้นก็ไอที่ว่าแข็งขนาดนั้นนะครับถ้าเป็นไปได้ให้อภัยไปเถอะ พอเมื่อไหรก็ตามที่เราให้อภัยใครสักคนคนแรกที่จะมีความสุขคือตัวเราฮใช่ครับผมตัวเราเนี่ยแหละไม่ใช่ใครเพราะฉะนั้นหัวใจที่อยู่กับความเครียดแค้น่ะมันน่าจะเคยกันทุกคนผมคิดว่าอนะความเครียดแค้นนี่มันเข้าทุกคนมันมันเครียดมันมันอยู่ไม่สรุปมันอะไรแต่ถ้าเกิดว่าลองเราให้อภัยไปแล้วเราจะรู้สึกสัง เข said, ้าใจไอแอกุดานที่บอกร็อบิชรอเรียโอล็อบปวดให้หัวอกของฉันโล่งมันอย่างนั้นเลยมันรู้สึกโล่งมันปลอดโปร่งคือเขาอาจจะไม่เข้าใจแต่เราเข้าใจละนี่คือสิ่งที่ซินบักคนใ้ความสำคัญเอากลับมาที่ผู้ที่ตาช่งของเขานั้นหนักฝ่าหัวฟีอิชสเตโรลดียเอาพงลัมาตราส่งก่าว่าไงครับเขานั้นก็จะได้ชีวิตความเป็นอยู่ที่รเดียที่เขานั้นพอใจ เราคิดถึงคำว่าชีวิตที่พอใจพวกเราสรุปความผาสุกในสวรรค์ไว้สันส้นๆสรุปชีวิตความเป็นอยู่ที่เกินจินตนาการความงดงามความดีงามที่จินตนาเกินจินตนาการเนี่ยพวกเราส่งสรุปไว้ด้วยคำสันส้นๆว่าอิชติรดียความเป็นอยู่ที่พอใจคือในดุนยาเนี่ยครับที่เราพอใจในหลายๆสภาพเนี่ยมันเป็นความพอใจตามอัตภาพ คือมันทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้มันได้แค่นี้ก็ทำดูรีลามันไป็นเรื่การทดสอบเพราะเรารู้ตัวคือเรารู้ว่าต้องอยู่ในกรอบเราต้องถูกกดเราต้องกดอารมณ์ไว้เพราะนั้นคําว่าชีวิตที่พึงพอใจในดุนยาเนี่ยถามว่าจริงๆเราพึงพอใจไหมลึกๆจริงๆมันยังไม่ใช่ลึกๆจริงๆมันยังไม่ใช่ลึกๆในใจเราเนี่ยอยากจะได้อะไรที่มันพอใจมากกว่านั้น คิดอยากจะกินก็ได้กินออยากจะดื่มก็ได้ดื่มอยากนอนก็ได้นอนอยากเล่นก็ได้เล่นอยากเที่ยวก็ได้เที่ยวอยากเมียนั้นก็ได้เลยอันนี้คือคําว่าความเป็นอยู่ที่น่าพอใจก็คือทุกอย่างที่ต้องการต้องการปุ๊บได้เลยถามว่าใน d ุ n y ามีไหมครับไม่มีไม่มีทางต่อให้พน้นเป็นคนที่ครอบครอง d ุ n y าได้ต่อให้เป็นคนที่รวยใน d u n ยาได้ครอบอรวยที่สุดในดุ n y าเขาไม่มีทางที่จะได้อ e ิชติรอเดีย ควเป็นอยู่ที่เขาพอใจมันต้องมีเรื่องที่เขาไม่พอใจทําไมฉันไม่ได้ค น, คน น, นคนนี้ทำไมฉันไม่ได้ผู้ชายคนนี้ทําไมฉันไม่ได้ผู้หญิงคนนี้ทําไมธุรกิจนี้มันไม่ไปไกลกว่านั้นทําไมบ้านนี้ทำไมตรงนั้นมันเสียมันต้องมีสิ่งที่ทําให้เขาไม่พอใจแต่ในดุนในอาชีรอลครับพเพืรอสรุปง่ายๆว่าคนที่ตาช่างของเขาหนักตาช่างหนักเป็นยังไงครับในโลกหน้าวอลลาร์มที่ท่านบิวสันส์ามพูดไว้ก็คือตาช่างเวลาถึงเวลาช่างความดีความชั่วเนี่ยอันไหนที่หนักกว่ามันจะเป็นยังไงครับ มันจะสูงในดุญญนยาที่มันจะต่ำลงใช่ไหมมันจะหนักแต่ถ้าเกิดในโลกหน้าอะไรที่มันเหนือกว่ากันเนี่ยมันจะสูงขึ้นซึ่งบันทึกของใครก็ตามที่บันทึกความดีนั้นดีกว่าความชั่วคือสูงกว่าความชั่วเขาจะมีชีวิตที่เขานั้นพอใจเราฟีฮามาตัสตาฮีอังคุสกุมบารคุมฟิฮามาตัดดะอุนที่พระก็กล่าวในกุรานครับผม สำหรับพวกท่านนั้นเขาจะได้พวกท่านจะได้ในสิ่งที่พวกท่านต้องการทุกอย่างสิ่งที่หัวใจของเขานั้นปรารถนาทุกอย่างเราอาจจะคิดไม่ออกว่าเราปรารถนาอะไรแต่ถึงเวลาโลกหน้าปุ๊บได้ทุกอย่างแล้วก็ทุกสิ่งที่เรียกร้องก็จะได้รับด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในสโะอัลกอริยาพุรลสรุปความผาสุก ข, ของวันอาเคโรไว้สั้นมากเลยแต่ว่ามีความหมายที่ว่ามันเกินจินตนาการอีชเชติอเอร์ดิยาความเป็นอยู่ที่ เรานั้นพึงพอใจเป็นยังไงถึงเวลารอไปเจอกันอินชาอัลลอฮ์ครับผมตรงกันข้ามในกุรานครับจะมีสิ่งที่เรียกว่าตา ร, รีบบาตรฮิบผู้อัลลอฮ์มักจะใช้หลายครั้งก็คือในกุรานเมื่อพูดถึงเรื่องที่ทําไม่รู้สึกดีทําไม่รู้สึกอบอุน่นพู้อัลลอฮ์ก็จะเตือนด้วยว่าถ้าตรงกันข้ามจะเป็นยังไงกําลังพูดถึงคนดีใช่ไหมตอนนี้พู้องพูดว่าไงครับ ในขณะที่วะอัมมามันคอฟัฟมาวาจีนส่วนใครก็ตามที่ตาช่างของเขาเนี่ยมันเบาความดีแทบไม่ปรากฏคือรักกิฟต์อาร์ติส์นี่ไมก้าบันทึกความชั่วนี่ทำงานหนักสุดๆไมก้าบันทึกความดีแทบไม่ได้ทำงานเลยพะเราบอกว่าคนประเภทนั้เป็นยังไงครับฝอุมมูฮูฮาวิยะที่พมณนักของเขาคือฮาวิยะฮาวิยะไปตรงตัวคือหุบเหวลึก ในสมมานกูนรานใช้คําว่าฝ่อุมหูฝ่อุมหมูฮาวิยะอุมมุนแปลว่าแม่แม่ของเขาคือฮาวิยะอีกครั้งหนึ่งครับพเพราะว่าบอกว่าใครก็ตามที่บันทึกของเขาเบาความดีของเขาน่ยมันเบาแม่ของเขานั้นคือหุบเผวหรือคือฮาวิยะ ภาษาหลับการใช้คำว่าแม่หมายถึงอะไรครับคนจะใครก็ตามปุตสัยก็ต้องกลับไปหาแม่เด็กใช่ไหมครับถ้ามีปัญหาถ้าร้องกระจอกไงก็ต้องกลับไปหาแม่เป็นที่ต้องอยู่แบบอยู่อยู่แบบสนิทอยู่แบบไม่ไปไหนครับเพราะฉะนั้นสำนวนภาษาหลับใช้ใช้คำว่าฝาอุมมูหูก็หมายถึงว่าเป็นที่ที่ว่าเขาต้องไปอยู่แบบไม่มีทางหลบหนีพ้นอย่างแน่นอนฝ่าอุมมูหูฮาวิยะเคาต้องไปอยู่ในหุบเหวลึกเวลาพูดถึงคําว่าหุบเหวลึกแล้วรู้สึกยังไงครับไม่มีทางหนี เขพูดเหวคือมันไม่มีทางหนีคือถ้าลงไปปุ๊บมันมันโดนล้อมเนี่ยครับด้วยกับที่ที่สูงกว่าซึ่งไฟนรกอย่างที่พวกเราทราบที่ทนตบีวโลโลัตส์โรยสลามพูดไว้ก็คือพวกนั้นใช้เวลานี้หนึ่งพันปีในการจุดไฟนรกใช้อีกหนึ่งพันปีจุดจากไฟนรกธรรมดาให้เป็นสีขาวพันแรกนี่สีแดงปกติอีกพันปีเป็นสีขาวแล้วก็อีกพันปีจุดให้มันกลายเป็นสีดําที่มืดสนิทไร้ควันแล้วก็ไร้แสงสว่าง ความร้อนที่มืดสนิทนะเกินจินตนาการเกินจินตนาการจริงว่าจะเป็นขนาดไหนซึ่งความร้อนที่เกินจินตนาการนั้นที่มืดสนิทนั้นมืดสนิทนั้นมันเป็นเพียงแค่เหมือนกับใช้คาว่าไงครับเป็นการรเข้าพื้นฐานโดนทั่วหน้าสำหรับชาวนาก แล้วแต่ละคนก็จะโดนอย่างอื่นเพิ่มอีกตามพฤติกรรมหนักๆที่เขาทำไว้ในดุนยาอยากมีความรู้ไม่ทําตามที่รู้โดนเพิ่มไปอีกโดนทุ่มมันสมองจนแหลกเหลวอีกหรือว่าถึงเวลาปุ๊บชอบคุยเรื่องชาวบ้านชอบเอาเรื่องไปนินทาแล้วก็ทำให้ชื่อเสียงเขาเสียหายก็ต้องโดนกระชากหน้าอย่างที่พวกเราคุยกันไปหรือว่าทำซินาหรือว่ากินดอกเบียหรือว่าไปทาร้ายใครก็ตามบทลงโทษของเขาคนเหล่านั้นยังมีอีกเยอะ คนที่มีทรัพย์สินเนี่ยไม่ได้ จ, จ่ายสกาดอีกทนายพิสอสสอยสร้อก็บอกว่าทรัพย์สินของเขาเนี่ยจะมารวมกันอยู่ในรูปร่างคล้ายกับงูอัอกรองูหัวล้านงูหัวล้านแปลว่าอะไรครับมีงูไหนมีผมไหม <c oughs> งูอากาักรองูหัวล้านถ้าเราสังเกตดูคนหัวล้านส่วนใหญ่แล้วถ้าหัวล้านนี่ตรงหัวเขาจะเป็นไงครับ <My. S 1> จะมันเลื่อม ง, งูที่มีมันเลื่อมที่หัวหมายถึง งูที่มีพิษแรงไปดูพวกงูเหา่าไปดูอะไรตอนนี้มันแผลแม่เบี้ยรครับมันจะเป็นเงามันจะขึ้นเงาเลยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าเกิดดูงูยิ่งเห็นมันเงาแค่ไหนแปลว่ายิ่งพิษแรงแค่นั้นแล้วพวกเราบอกว่าสำหรับคนที่ว่ามีทรัพย์สินแล้วก็ในยุนยาเนี่ยไม่ได้จ่ายสกับไม่ได้จ่ายสิทธิที่ทควรจะจ่ายถึงเวลาปุ๊บทรัพย์สินจะไปรวมตัวกันเป็นรูปรักษณ์ที่ว่าคล้ายกับงูที่ว่าอักรอกมีลักษณะที่ว่ามีพิษรุนแรงแล้วก็จะกระหนําทําร้ายเขา ยังไม่ได้พูดถึงทรัพย์สินที่ถูกเอาไปนาบคือนรกก็ร้อนอยู่แล้วแล้วก็โดนนาบอีกซึ่งการลงโทษของก็เกินจินตนาการไม่ใช่เกินจินตนาการอย่างเดียวเกินที่จะทนแต่เราลองิเราลองคิดคิดเท่าที่จะคิดได้อะครับหลายครั้งในดุนยาที่เรารู้สึกว่าเราเราทนไม่ได้แล้วมันเกินที่จะทนแล้วแต่มันยังพอจะทนได้ แต่แล้ลองจินตการถึงการที่บอกว่าเกินทนที่มันเกินทนจริงๆคือมันมันเกินที่สติปัญญาจะรับได้แล้วแต่มันดันไม่ตายคิดว่าเมื่อชาวนรกถูกลงโทษจนถึงขั้นว่าเกินลิมิตที่เขาจะรับได้แล้วมันเป็นความรู้สึกยังไงเออลิมิต คืออย่างดุนยาครับไอคนที่บอกว่าเกินจะทนเกินจะทนไม่มีใครเกินทนหรอกถ้าเกินทนคือตายเจ็บจนตายได้แหละเกินทนคือทนไม่ได้แล้วก็เลยตายแต่สมมุติว่าถ้าเกิดความทรมานที่ทําให้คนเราตายเนี่ยถึงสิบคือความเจ็บปวดถึงสิคิดดูว่าโลกแน่มันเกินสิเกินสิบไปแล้วคือมันน่าจะตายไปแล้วแล้วมันโดดไปเท่าไหร่อัล้อเท่านั้นที่รู้อาจจะโดดไปร้อยร้อยนี่ต่ําๆเลยอาจจะขึ้นไปพันอาจจะขึ้นไปหมื่นขึ้นไปแสน เป็นสิ่งที่เราคอยชาวนรกอยู่เป็นสิ่งที่เราคอยชาวนรกอยู่ซึ่งก็ขอโดยเาจ้าลอว่าอย่าให้เราแล้วก็คนที่เรารักหรืคนที่รักเรานั้นได้เป็นหนึ่งในชาวนรกด้วยเถิดไอ้มีนะครับผมเพราะนั้นก็ให้อภัยกันนะครับยุนยา ม, นมันก็แค่นี้แหละมีอะไรผิดข้องหมองใจกันได้ถ้าให้ได้ก็ให้ถ้ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เกินถ้ามันไม่ใช่เรื่องสิทธิของลอว่าถ้ามันไม่ใช่แบบเกินจะทนจริงๆ ให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยกันเถิดเพราะว่าถ้าเราเรียนรู้ที่จะให้อภัยคนอื่นพวกเราก็จะให้อภัยเราเช่นเดียวกันเหมือนกับที่ทัศนบีบอกว่าใครที่ไม่รู้จักเมตตาคนอื่นเขาก็จะไม่ได้รับความเมตตาเพราะนั่นคือเาเรื่องของคู่ครองสามีภรรยาเรื่องของลูกหลานเรื่องของอะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าถึงขั้นแบบตัดพ่อตัดแม่ตัดลูกตัดอะไรก็ตามเป็นไปได้ก็ถือว่าให้อดทนไม่ต้องว่าเพื่อใครแต่เพื่อตัวเราเอง ถามว่าทําไมฉันต้องทนก็ตอบง่ายๆเลยครับว่าเพื่อตัวเองเพราะโลกหน้าเราอยากให้เอาล้อเมตตาเราเพราะโลกหน้าเราอยากให้เอาล้อให้อภัยเราเพราะโลกหน้าเราเราอยากรอดพ้นจากการที่ถูกลงโทษเพราะโลกหน้าเราเราไม่อยากจะเสียใจเพราะนั้นในโลกนี้ถ้าเป็นไปนได้ก็ก็ให้อภัยกันแต่ไม่ใช่หมายความว่าสิทธิของเราปุ๊บไม่เรียกร้องสิทธิเราเลยมันก็ไม่ใช่ก็คือสิทธิของเราเราก็ต้องเรียกร้องในขอบเขตเท่าที่จําเป็นเพราะว่า ความจริงก็คือความจริงมันก็มีมนุษย์อยู่กลุ่มหนึ่งที่แบบว่าไม่มีทางได้ดีแล้วอะครับเหมือนไม่มีทางได้ดีมันมีจริงๆคนประเภทนั้นเราก็ต้องปกป้องตัวเอนให้ราดพ้นจากคนประเภทนั้นด้วยคือไม่ใช่ว่าพอเป็นมุสลิมปุ๊บเป็นคนดีปุ๊บกลายไปคนอ่อนแอก็ไม่ใช่คนดีก็ต้องเข้มแข็งก็ต้องแข็งแรงปกป้องสิทธิของเราได้ในขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ไปล่วงเกินสิทธิของคนอื่นครับเพราแลาวไงครับว่ามาอัดรอกามาฮีย หลังจากนั้นพวกเราก็บอกว่าแล้วเจ้ารู้ไหมว่ามันคืออะไร mm. ก็คือจริงๆมาจากคําว่าวามาอัตต์รอแกมาฮิยาจริงๆคือคําว่ามาฮิยาแต่มีการเพิ่มฮาเข้ามาเรียกว่าฮาลิซักก็คือฮาวิยาฮาวิยาถ้าเกิดดูในกุรานนะครับภาษาอักษรปุ๊บจะใช้เป็นตัวฮาตายเลยอยายะที่1สิบนะครับวามาอัตต์รอแกมาฮิยามาฮิยาฮานี้เรียกว่าเป็นฮาลิซักก็คืออาที่ฮาที่มีไว้เพื่อให้ อ่านแล้วได้ขินงเสียงมีผลในเรื่องความสวยงามในการอ่านแต่ไม่มีผลในเรื่องความหมายไม่มีผลในเรื่องความหมายครับแล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าหุกเผลึกที่ว่าคืออะไรถ้าเราไม่แปลหุกเผลึกล้วก็บอกว่าแล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าพาบิยะเนี่ยคืออะไรพอเราบอกไงครับนารุนฮามิยนะพอเราก็อธิบายไฟนรกด้วยกับคำที่สั้นมากท่าในกุฎาร์เราสังเกตดูก็คือถ้าเรา เข้าใจว่าคําพูดของท่านนาบีเนะี่ยคือชาวานุไกลิมท่านนาบีพูดน้อยความหมายเยอะพอมาดูอัลกุรอานแล้วจะพบว่ามันยิ่งใหญ่กว่าคําพูดของท่านนาบีเยอะเลยก็คือเป็นการใช้คําที่ว่าสละสวยสวยงามแล้วก็มันครอบคลุมมันชัดเจนพอเราบอกไงครับไฟเจ้ารู้ไหมหรือไม่ว่าฮาวิยะที่พํานักที่ชาวมารกตกต้องลงไปเนะี่ยมันคืออะไรนะรุนฮามิยะพอเราพูดง่ายๆว่ามันคือไฟที่ คามร้อนแรงเกินจินตนาการเพราะมันเกินจินตนาการไปแล้วเพราะฉะนั้นคแค่คําว่าไฟที่ร้อนแรงเราก็คิดไปและกันว่าไฟที่ร้อนในดุนยาที่เราเจอ ม, ม, มันเป็นยังไงซึ่งเมื่อเทียบกับโลกหน้าที่ท่านบีมัสลามพูดไว้ก็คือไฟที่ใช้ในโลกนี้นี้มีกี่ส่วนครับส่วนเดียวส่วนเดียวถ้าเทียบกับไฟในโลกหน้าอีกเก้าสิบเก้าส่วนอีก อีกแคดิสหนึ่งอีกแคลิสนึงท่านนบีพูดเสริมอีกแคลิสเบื้ แ, บบแรกนี่คือท่านบีแลสนลามบอกว่าไฟในดุนยาเนี่ยคือส่วนเดียวจากไฟในโลกหน้าอีเกส่วนเก้าส่วนอีกแคลิสนึงบอกว่าพกรกอเลาะเอาไฟของโลกหน้ามาส่วนเดียวจากร้อยส่วนที่ว่านะครับเอามาส่วนเดียวแล้วเอาไปล้างน้ำสองรอบรอบถึงสองรอบเพื่อให้เราใช้ประโยชน์ได้ผ่านผ่านผ่านกัน ล้างไปแล้วไฟในดุนยาที่เราเห็นกันเป็นเรื่องอินมุนเคฟครับมันเป็นเรื่องที่ว่าถ้าไม่ใช่ผู้ศรัทธาก็คงจะหัวเรารอขบขันว่ามันเรื่องอะไรมันตลกอะไรเพียงแต่ว่าเราเราเลยผ่านช่วงสงสัยไปแล้วใช่ไหมครับเพราะเราพิสูจน์ได้แล้วในเรื่องของว่าการมีอยู่ของพระเจ้าเราเชื่อมั่นเต็มหัวใจเราแล้วว่าพวกล้อมีจริงสัจจะสลามมันสดจริงท่านเบียร์สเวตส์ดพูดความจริงสวรรค์มีจริงและโลกมีจริงเพราะนั้นสิ่งที่พวกล้อพูดนั้นคือ การเตือนสติสําหรับผู้ศรัท ธ, ธาในขณะที่ผู้ปฏิเสธศรัท ธ, ธามันก็จะเป็นเหมือนกับเรื่องตลกขบขันหรือว่าเป็นเรื่องไร้สาระสำหรับเขาซึ่งถึงเวลาเขาก็จะรู้ว่าใครคือคนที่จะรอดแล้วใครคือคนที่ไม่รอดผู้ปฏิเสธศรัท ธ, ธาครับที่น่าสงสารสําหรับหลายๆคนก็คือว่าไม่เชื่อไม่พอแล้วยังท้าทายต่ออีกเนาะซึ่งเราก็ได้พูดคุยไปแล้วเหมือนกับในช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนบีสุลแล กุ่มชนของลีบซาเล็กก็คือพวกสมูทใช่ไหมครับไม่เชื่อต่อล้อก็ไม่พอพอล้อให้เห็นมรดิศาสตร์ปฏิหารต่อแน่ก็ยังไม่เชื่อไปทําลายปฏิหารของล้อผิดคําสัญญาที่เคยให้ไว้ผิดคําสัญญาไม่พอยังไปท้าทายต่อว่าไหนล่ะที่ว่าจะลงโทษผลสุดท้ายพอโดนมาปุ๊บทาอะไรได้ไหมครับก็ไม่ได้คือทําตัวเองทําตัวเองอยันในเรื่องของวันสิ้นโลกกับ วันโลกแน่พอจะเคลียร์นะครับอสซาอะกับอัลกิยามาถ้าเจอคำว่าซาหมายถึงวันสิ้นโลกวันที่พวกเราจะไม่มีใครได้เจอมันอินชาอัลลอฮฺครับอาซาอะอาซาอะก็คือวันสิ้นโลกส่วนอีกคำหนึงก็คืออัลกียามาก็คือวันโลกแน่วันโลกแน่ซึ่งคนละวันกันคนละวันกันครับผมครับในส่วนของอัลกียามาครับมีสุรัตน์ที่ผมอยากจะเสริมวันนี้ถือว่าเป็นสุรัตน์เสริมแล้วกัน เพราะว่าเรายังพอมีเวลาอยู่ก่อนที่จะอาจารย์อยากมาครับได้เช่นครับอายัที่หกสำหรับผู้ที่ตาช่างของเขาหนักครับคำว่าตาช่างของเขาหนักความหมายคือเขาเขาจะต้องมีความดีที่เขาทำไว้ครับในในบุญญาดี้ครับมันมีฮะดีสันที่ขั้นดบีบอกว่ากลรมาตุลสองสองประโยคที่ว่า กลิมาเตนครับคอฟีฟาเตนเอลิเซนสกตาตนลินตาช่างส่วนหนึ่งที่เราจะพูดใตรงนี้เนี่ยกราบผมเนี้ยบาร์โคลส์พี่กุ่มครับได้ครับผมก็คือเป็นคำถามที่ดีครับเจากุล่ครในเรื่องของคาว่าตาช่างหนักลยครับตาช่างหนักในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าเขามีความดีมากกว่าความชั่วไม่จาเป็นไม่จำเป็นแต่หมายความว่าเขาสามารถทำตัวให้เอาล้อรักได้ เขาสามารถทำตัวให้ล้อรักได้ซึ่งเหมือนกับที่ท่านจามาเลส บ, บอกในดเซบีมัสแลมพูดไว้ใช่ไหมครับออสองคาที่ว่าเบาลิ้นแต่ว่าหนักตาช่างคือคำว่าอะไรครับฮิบา น, น, นานลลฮิานาโบีมมีฮิสปานาโรลและอลอรีมคที่ว่ามันเบาลิ้นแต่ว่าหนักตาช่างหมายความว่าการดึงถึงล้อดิสโพอย่างคาเนี่ยในตาช่างมันจะไปเพิ่ม น, น้าหนักมหาศาลตรงนี้กตรงนี้ครับ คือตัวนี้ก็คือไปทําให้ตราช่างนนหนักไปนั้นท่านอับดุลเบี๋ยมุสลลอย์สลัมในพูดสําหรับคนที่อยากได้ตราช่างของเขาหนักเราไม่ได้เน้นเรื่องของปริมาณอย่างเดียวครับต้องใช้คําว่าพู้อัลลอฮ์นั้นไม่ได้สอนให้มุสลิมเราเน้นในเรื่องปริมาณอย่างเดียวพู้อัลลอฮ์สอนให้เราเน้นในเรื่องของคุณภาพเหมือนกับที่ท่านอับดุลเบี๋ยมุสลลอย์สลัมบอกว่าไงครับอัลลอฮะอัลลอฮ์ฮอัซซาบีโออัลลอฮ์ัลลอฮปดปกป้องคุ้มครองซาฮบะของฉันด้วย พวกท่านทั้งหลายจงอย่าได้ดา่ดาว่าซอบ้าของฉันท่านอบดเบียรเตือนไว้แล้วซึ่งก็มีกลุ่มชนที่ชอบดา่ดาว่าซอบ้าก็ขอเอาล้อยทางนําพวกเขาท่านอบีบอกว่าไงครับหากคนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกท่านบริจาคทองคํามีมูลค่าขนาดเท่ากับภูเขา อ, อ, อูฮุดภูเขาอูฮุดภูเขาลูกหนึ่งคิดถึงภูเขาลูกหนึ่งนะครับที่เป็นภูเขาทองคำท่านอบีบอกว่าหากคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านบริจาค ภูเขาเท่ากับทองคํามันไม่มีทางจะเทียบเท่ากับซอฮาบ้าของนบีบริจาคที่มีมูลค่าแค่ข้อนิ้วเดียวบริจาคเหมือนกันซอฮาบ้าบริจาคข้อนิ้วเราบริจาคทองคําเป็นภูเขาท่านนบีอัสเซร์สั่งบอกว่าการบริจาคของเราไม่มีทางที่จะไปหนักที่ตาช่างเทียบเท่ากับที่ซอฮาบ้าบริจาคแค่นิดเดียวนั่นมันเพราะอะไรครับเพราะคุณภาพเพราะใจเพราะใจที่ทําเพราะฉะนั้น จะเป็นคำว่าซูบราร์นอลทำดีซูบราร์นอลีมหรือว่าจะเป็นซูบราร์นอลทำดีแ ล, ล, ล้วลอฮบัดที่ว่าท่านบีบอกว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ในสวรรค์หรือว่าจะเป็นพฤติกรรมความดีงามใดๆก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับแรกก็คือคุณภาพในการทำคุณภาพในการทำที่ว่าจะเป็นการเพิ่มให้ชารตราช่างของเรานั้นมนะันหนักเพราะท่านบีก็ย้ำใช่หคว่าอินนัมลอามาบิยดว่าอินนามิุลิมินมาว่าก็คือการงานทั้งหมดนั้นคุณภาพนั้นวัดกันที่ แรงผลักดันอะไรคือแรงผลักดันให้เราทําสิ่งสิ่งนั้นถ้าแรงผลักดันนั้นเป็นแรงผลักดันที่ดีสําหรับอัลลอฮ์มันคือสิ่งที่ผู้องค์รักมากมันก็จะหนักตาช่างสําหรับเราเหมือนกับคนที่ว่าทําซีนามาเป็นคนที่ทําซีนามามากมายในชีวิตผลสุดท้ายเขาเอาน้ําให้สุนัขท่านอบดุียร์บอกว่าไงครับอัลลอฮ์ยกโทษให้กับเขาก็คือตาช่างความช่วร้ายของเขาก็หายไปเลยโดนโลบไปเลย แล้วก็เช่นเดียวกันกับคนที่ว่าเป็นฆาตรกรฆ่าต่อเนื่องมา99คนผลสุดท้ายไปค่ายคนใช่หมครบร้อยแล้วผลสุดท้ายอาลัลลอฮ์รับต่อบาเขาไหมครับรับต่อบาทาั้งๆที่เขายังไปยังไม่ถึงอีกเมืองหนึ่งด้วยซ้ำเช่นเดียวกับคนที่ว่าก่อนตายเนี่ยบอกกับลูกหลานว่าไงเนี่ยลูกๆของพ่อในชีวิตของพ่อพ่อทำความชั่วมาเยอะเหลือเกินถ้าอาลัลลอฮ์สามารถฟื้นชีพพ่อได้พ่อ ส่วยแน่แน่ลูกช่วยเอาศพพ่อไปเผาแล้วก็ไปลอยอังคารคนละทะเลให้มันไปไกลๆอเลาะจะได้ไม่ต้องรวมได้อันนี้เข้าข่ายไม่เชื่อว่าเอเลาะมีความสามารถจะรูปรวมได้เข้าข่ายกาเฟสเลยแต่ผลสุดท้ายในอาริสนาบีบอกว่าครับอเลาะเอาเท่าของเขาเนี่ยมารวมกันสั่งให้ลมให้ทะเลเอาเท้าเขามารวมกันเป็นรูปร่างของเขาแล้วพวกอเลาะก็ถามว่าทําไมเจ้าถึงทําอย่างนี้ทําไมถึงสั่งให้ลูกทําอย่างนี้ เขาตอบบอลล็อตสั้นๆว่าไงครับคขชยรตุ๊ผมกลัวพระองค์คําว่าผมกลัวพระองค์ทําให้บอลล็อตยกโทษเขาในบาปที่เขาทขําไปก็แปลว่าความเมตตาของเราในยิ่งใหญ่เพราะนั่นการที่ว่าอยากใจตราสร้างของเราเนะี่ยมันหนักมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าการเน้นในเรื่องของปริมาณไม่ใช่ไปเน้นในเรื่องว่าแค่วันอรอฟาไม่ใช่เน้นแค่วันเกิดนบีไม่ใช่เน้นแค่ในเรื่องของคือเลเลตุนก็ส ไม่ใช่เน้นแค่เน้นแค่นั้นแค่ช่วงเป็นช่วงช่วงช่วงช่ว ง, ว ง, วงมันไม่ใช่แต่ว่าใครจะไปรู้ใครจะไปรู้ทาริบีอัสสลามบอกไว้ครับลาตักีรอนเนี่ยมันมาลูฟัลใช่ว่าเอันเตลก็อคาบีว่าชินเตลกินในบันทึกอัมามุสซินพลีว่าชินตอลีกินอย่าได้ดูถูกความดีนะทาริบีอัลสลามบอกเราไว้บอกว่าเราอย่าได้ดูถูกดูแคลนการทําความดีสักอย่างถึงแม้มันจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม ถึงแม้จะเป็นการพบพี่น้องของคุณโดยที่คุณมีใบหน้ายิ้มแย้มให้กับเขาท่านอบีบอกว่าอย่าได้ดูถูกมันเพราะใครจะไปรู้ใครจะไปรู้บางทีสิ่งที่ทําให้อล ร, รักเราอาจจะพเพราะรอยยิ้มครั้งหนึ่งที่เรามีให้กับพี่น้องของเราก็ได้ใครจะไปรู้เพราะนั้นเราไม่มีทางรู้ครับอาจจะเพราะว่าเราขับรถไปแล้วเราเจอมันมีขอนไม้ก้อนใหญ่ตั้งกลางถนนเราก็เลยไปจอดรถแล้วก็เอาขอนไม้นั้นออกไปจากถนน อาจจะเป็นเหตุทําให้เราล้อยกโทษบาปทั้งหมดของเราก็ได้เพราะฉะนั้นความเมตตาของล้อแน่นอนครับเราไม่ใช้ฉกฉวยประโยชน์จากความเมตตาของล้อในทางที่ผิดบางคนฉกฉวยในทางที่ผิดก็คือเออล้อ เ, เมตตางั้นฉันไม่ต้องทําดีอะไรมากเดี๋ยวล้อก็เมตตาอันนี้คือผิดวิธีคือส่วนขอเราทําให้ดีที่สุดนั่นแหละเราก็ละมาให้ดีที่สุดของเราวยายิพยามทําให้ครบต่ําที่สุดคือทําวายิบให้ครบเหมือนกับคนดีๆผู้รู้หลายท่านบอกครับว่า บางครั้งบางช่วงของชีวิตเนี่ยมันจะมีช่วงที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากทำอะไรเลยใครเคยบ้างครับรู้สึกไม่อยากละหมาดไม่อยากกายสกาดไม่อยากพบเจอหน้าผู้คนไม่อยากไม่อยากอะไรเลยเนักวิชาการหลายๆท่านพูดคล้ายๆกันครับ <c oughs> เมื่ อ, อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในสภาพนั้นของชีวิตเอาแค่รักษาวาญิบให้ครบก็พอแล้ว ต่อให้จะไม่ได้ละบาดศุนณาเลยก็ไม่เป็นไรขออย่างน้อยที่สุดก็คืออย่างน้อยวาญิปเนกระเสือกกระสนเธอฝือนเธอคือยังไงก็คือมันเป็นหน้าที่งไงวาญิปมันเป็นหน้าที่ยังไงฝืนกระเสือกกระสนมันอาจจะคุณภาพมันอาจจะดบลงเหวไงแค่ไหนก็ตามอย่างน้อยก็พยายามทําให้ดีที่สุดก็คือกับฝืนรูปไปทํานลมาศก็ทําให้มันดีๆให้มันสมบูรณ์นะฝืน ถึงเวลาตักบี๊ผมฉันหาวแบบหาวเป็นดาวเป็นเดือนฉันทำยังไงดีฉันไม่ตอนจับมือถือมันไม่หาวสักคำพอจะตักบี๊นี่เป็นสิบแล้วบางทีมันลามไปคนอื่นนี่คนอื่นจะละหมาดด้วยกับหาวกันเป็นพวนมีใครเคยเจอหรือเปล่าไม่รู้ผมมาเจอเจอกับตัวเลยละหมาดตั้งแถวซอ่ะครับตอนซุโบมีคนหนึ่งหาวอา อยู่หลังๆอิห ม, ม่ามเยองนิดนึงผมอยู่ขวาเกือบสุดคนนึงหาวคนที่สองหาวคนที่สามหาวแล้วผมก็คิดว่าเอยเดี๋ยวผมก็คงหาวด้วยแล้วมันก็หาวจริงๆแบบครับน้ำผมคือถ้าตามที่ท่านนาบีพูด่ะครับท่านนาบีมัสเรส ร, บส ร, รมบอกาการหาวนี่ยมาจากชัยตอน<ม>คือเวลาใครก็ตามหาเนะี่ยคือชัยตอนมันเข้าเข้าปากเรา ผมก็เลยจินตนาการขำๆว่าชัยตอนมันคงจะเข้าปากคนนั้นแล้วก็เข้าคนนี้แล้วก็เข้าคนนั้นแล้วก็เข้าคนนี้เออมันมันคงจะสนุกของมันอะนะแต่ที่แน่นๆก็คือละหมาดวันนั้นนี่ไม่มีสมาธิแน่นอนหาวนแบบแต่อย่างน้อยก็คือว่าขอให้ได้ทําวายิบให้เสร็จแล้วกันกระเสือกกระสนคือรักษาให้มันครบอะไรที่เป็นวายิปทําให้ดีที่สุดอ่าอะไรที่มันเป็นวายิปต้องทำต่อครอบครัวก็ทําทเท่าที่จําเป็นให้มันอย่างน้อยก็คือก็ไม่ได้บกพร่องในหน้าที่นะ กับครอบครัวไม่ได้บกพร่องนะกับอัลลอฮ์มาเป็นอันดับหนึ่งกับอัลลอฮ์ไม่ได้บกพร่องนะกับครอบครัวไม่ได้บกพร่องนะกับตัวฉันเองฉันก็ไม่ได้บกพร่องนะเอาแค่วายิบเอาแค่ให้มันปิ่มๆแค่นั้นพอแล้วก็อินชาอัลลอฮ์ครับถ้าผ่านช่วงนั้นไปได้ถ้าผ่านช่วงนั้นไปได้ไไดโดยที่เรารักษาวายิบได้อินชาอัลลอฮ์ครับเราจะฟื้นมาแล้วก็จะไปได้ไกลกว่าเดิมอันนี้คือที่ว่า หลายๆท่านท่านพูดมีความเห็นตรงกันมันมาถึงทุกคนแน่นอนว่าเราว่าไอช่วงที่แบบมันไม่อยากทําอะไรเลยบางคนบอก ม, มีทุกวันบางคนบอกฉันไม่เคยมีช่วงดีๆเลยมีแต่ช่วงนี้ตลอดชีวิตเลยขอข อ, ข อ, ขอรกระเสือกกระสนกระเสือกกระสนนิดนึงแล้วก็สิ่งที่ช่วยได้นอกจากการขอความเมตตาจากอเลาการเลือกคบค้าสมาคมอยู่กับกลุ่มที่เราคิดว่ามันมันจะช่วยผลักเราไปทางที่ดีอ่ะ คือแบบเราขี้เกียจบางทีมันดึงเราบางทีต่อให้เป็นคนที่เราไม่ค่อยอยากจะคุยเลยแต่ถ้าคิดว่าอยู่กับเขาแล้วเขาจะช่วยส่งเสริมให้เราดีขึ้น <S <S ก็ไปอยู่กับเขาเนี <S <S ่บางทีเขาอาจจะมีคําพูดไม่ดีหยาจายอะไรก็ตามแต่สมมติถึงเวลาปุ๊บอ้าวไม่ไปละหมาดละเดี๋ยวเทีย่จะด่าเราอีกตัางหากทําไมมันทำมันทำไใครที่มันขี้เกียจบนเป็นห้านาทีสิบนาทีแต่อย่างน้อยถ้าเขาบน่บนทําให้เราได้ล่ะได้ละหมาดเพราะว่ามันก็คุมแล้วที่จะฟัง อยูถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวแล้วมันไม่ได้ทํำไงแบบบางทีแบบพวกเรารู้ดีช่วงเดือนร a ม a d a n ใช่ไหมครับมันต้องมีกลุ่มมันจะฮึกเหิมมันไปตรอยเวียได้ทุกวันถึงแม้ซูโบจะมาไม่ได้ในสักวันก็ตามอนะความพึ่งเถื่บางทีมันก็พูดยากชัยตอนแผนการมันมันมันซับซ้อนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปตามแผนชัยตอนที่ทันทุกอย่างก็ได้แค่เราศรัทธาต่อละ เราพยายามทําของเราให้ดีที่สุดเหมือนกับว่าคนจะวางแผนช่วยเราแค่ไหนก็ตามเท่าล้อช่วยเรามันก็จบแล้วก็ขอดูอาช่างล้อให้ล้อคุ้มครองเราให้เราล้อขว้นจากใส่ตอนนี้ล้อขวัญแจกสินวินิยมงามแบบนั้นครับผมถ้าได้มีคําถามเสริมไหมครับจริงๆวันนี้ผมอยากชวนคุยสุรัตน์อัมริตสักหน่อยถ้าพวกเรามีเวลาเดี๋ยวว่าอาจาร์น่าจะประมาณกี่โมงครับเช้าอาจารย์สักสามนาทีนั่นตอนนี้ถ้าได้มีคําถามมีอะไรอยากจะแชร์มีอะไรอยากพูดหรือรู้สึกว่าผมพูดตรงไหนไม่เข้าหู เสร็จเต็มที่ครับคุณน้าไม่อะไรไหมครับไม่มีนะครับผมเวลานะครับผมไม่มีท่านอยากเสริมเลยเหรอครับเป็นช่างเป็นอัลฮมบูลิะครับเป็นผู้เรียนที่เข้าบารักอัลฟิุมครับครับผมว่าหมายคือตัวของตัว ภูเขาเนี่ยมันจะกร ะ, กระจายมันไม่ได้เป็นแต่เป็นเสียงมันมันกระจุกรถออกมาแบบเป็นลูกอ่แต่ว่ามันลอยฟออย้อง เ, เ, ออ เ, เอ ห, เเกก ห, หเี๋ยรับา บบนครับยัเรามาคุยกันในส่วนของสุราอัลมอาริกันสักเล็กน้อยไม่มีท่านใดพูดคุยคาถามมาทั้งสิ้นไม่มีเลยนะครับเคลียร์หมดทุกอย่างเลยอัลฮัมดุลิลลา์โอ้โหครับคือเรียนกับอาจารย์ทุกท่านนี่คือเข้าใจทุกอย่างขออย่างเดียวใช่ไหมครับ ขออย่าถามถ้าถามแล้วมันจะเริ่มเกิดความสับสนในตัวเองว่าฉันเข้าใจหรือเปล่าใช่ไหมครับในสโลมาอาริสครับผมประเด็นที่ผมอยากพูดคุยอ่ะครับจะมีความเกี่ยวเนื่องกับที่พวกเรากล่าวไว้ในสุ ร, อร้อนกอรียแล้วก็ในยุสมาหลายๆลายสุร้อหลายหลายสุรหอผมก็เลยคิดว่าอยากหยิบยกประเด็นมาให้เราทําความวิเคราะห์กันตรงนี้นิดนึงนะครับพวกเรากล่าวไว้นะครับ หลังจากบิสมิลลห์อุลราะห์มานราะไม่ม <Lol. MA X> ีเอกสารนะครับผมถ้าจะเปิดก็คือซุลรอมาริชครับซุลรอที่เจ็ดสิบซุลรอที่เจ็ดสิบซาลาสัยลุบอัลดาบิุวาคิลล์คาฟลินไร้เสหลูดาฟิ้งมินอัลลอฮิซึลมาลิส ع ل و ทุ่มมาเลกต์ว์รูห์อิลัยฟิยามันแคนมิดดารูห์ห้าเฟัดบิสซับรันเจมิลล่าอินน่มยารูบะอวนราูกรีบกในคุอานรบวซาลา Be อาร์แวร์บิวว่าผมคงไม่ได้เจาะลึกไปจนถึงที่มาที่ไปของซุลรอหรือว่าอะไรก็ตามนะครับเพราะว่าเวลามันไม่ได้ต้องใช้เวลาเยอะเกินไปแต่ที่วกเราพูดก็คือว่ามีคนคนหนึงที่ว่าเขามาถามมาขอการลงโทษที่ว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนก็คือไอฉันโดนลงโทษสิแต่มีจริงถ้าอิสลามถูกต้องอะไรก็ตามแต่ซึ่งเราจะเพบว่าคนที่ขอประมาณเนี่ยยังคงมีจนถึงปัจจุบันถ้าอิสลามมีจริงก็ขออะอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้น ซึ่งพระองคบอกว่าไงครับไม่ต้องห่วงนะลิลแกรฟิรีนไลซาลาฮูดาเีย็จมบผู้ไปเสร็จสัานั้นไม่มีใครจะช่วยป้องกันให้กับเขาได้แน่นอนเมื่อถึงเวลามีนลอซิลมาอลิดไม่มีใครทำให้เขารอดพ้นไปจากอัลลอ์ผู้เป็นเจ้าของการขึ้นไปสู่เบื้องบน ตารุชุลมาเลากัตุวรูห์ไลฟิยามินแกนามิดดารูหัมซีนาอฟันะในวันนั้นที่มาเลากลัลละก็ทันชิบลินจะขึ้นไปหาพระองค์ละในวันที่หนึ่งวันของมันนั้นเทียบเท่าห้าหมืนปีนี่คือที่มาที่ว่าวันเกียร์มาการสอบสวนนั้นหนึ่งวันเท่ากับห้าหมืปีก็คือตรงนี้ยามินแกนมิดดารูหัมซีนาัฟันะฟัสบิดซับบรันชามีละ่ะอันนี้คือประเด็นที่ว่าอยากให้พวกเราได้เน้นกันไว้คือ ถึงเวลาเราอยู่กับกลุ่มคนที่ไม่เข้าใจเราคนที่ไม่เข้าใจที่ยอมรับก็อธิมรินแล้วเราก็อยู่ได้อย่างปลอดภัยแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่เข้าใจแล้วตั้งตนเป็นศัตรูแล้วพยายามที่จะทําร้ายทําลายเราพวกเราบอกว่าไงครับฟาสบิดซอปรุนเชมีละเจ้าจงอดทนอย่างงดงามเถิดคาว่าซอปรุนเชมีในคุรานมีก่ทั้งหมด3ามที่เท่านั้นการอดทนอย่างงดงามครับมีแค่สามที่ที่หนึ่งที่แรกก็คือที่นี้ ฟัสบิสโซเปอร์นเชมีแล้วเราพูดกับผู้ศรัทธาทุกคนเลยเจ้าช ง, อ ด, อ, า ง, ดงาอดทนอย่างงดงามอดทนอย่างงดงามคืออดทนแบบไหนครั บ, อ, บอดทนก็คือไม่ต้องไปตอบโต้อดทนแบบไม่ต้องไปด่าว่าอดทนแบบไม่ต้องไประบายความกับในใจกับใครอดทนแบบไม่ต้องเครียดแค้นคือตอบโต้ด้วยกับรูปแบบที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ไม่ใช่ว่าเขาด่าหนึ่งคำเราต้องด่าเขาหนึ่งคำไม่ใช่คือเรื่องรูปแบบที่ดีที่สุด เฟรซบิสซาบรันเชมี่แหละอีกสองที่พกเราพูดถึงนบียาอูบใช่ไหมครับผมในสโลยุสุปอินนาฮุมยาเรานะฮูบาอีดัพอเรากล่าวว่าพวกเขาเหล่านั้นจะรู้สึกจะมองไปว่าวันเกียมะวันแห่งการฟื้นคื น, ค น, คนชีพนั้นมันอยู่ไกลว่านารอฮูกอรี่บาแต่พอเรากล่าวในวกุณอ่านว่าไงครับแต่เรามองว่ามันนั้นใกล้ใกล้ คเล่ามองว่ามันใกล้ในขณะที่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธามองว่าไกลแล้วมุสซิมเราควรจะมองว่ายังไงครับร้อปีก็ไกลพันปีก็ไกลครับประเด็นนี้น่าสนใจครับว่าเราจะมองแบบที่ผู้เล่ามองหรือจะมองแบบที่กาเฟสมองพอมุสซิมบางกีมองแบบกาเฟสมองแจะอีตั้งนั้นโอ้ท่านบีเสียชีวิตพันกว่าปียัมเห็นเกิดเลยกไ็ <laughs> กไปว่าใกล้บางคนก็ ไม่ในความในภาคปฏิบัติอะ่ะบางคนก็มันยังไม่เกิดขึ้นอย่างนี้ฉันเอาความชั่วไปก่อนฉันยังไม่ตายหรอกฉันตอนนี้เพื่ออายุเด็กสิบสามเท่าไหร่นะสิบห้า <15. S 2> อ๋อจาอายุหลังจริงไม่ได้คือนึกสึกเหมือนสิบสามตลอดเวลาคืออย่างคนที่คิดว่าสิบห้าแล้วคิดวอะไรตายพวกนี้ไหมอ๋อแล้วคิดว่าอีกไกลถูกไหมความตายอีกไกลขนาดผมสี่สิบกว่าผมก็คิดว่าอีกไกลทั้งทั้ ท, ที่มันไม่น่าจะคิดว่าอีกไกลแล้วใช่ไหมครับแล้วก็แต่แล้วท่านก็ เราแต่ละคนคล้ายๆกันเราจะมองคล้ายๆกาาฟสก็คือมองว่ามันไกลใครคือคนที่มองว่ามันใกล้คนที่มองว่ามันใกล้คือคนที่เขาทุ่มทําทุกอย่างเพื่อที่จะรอดจากมันนั่นแหละคือคนที่มองว่ามันใกล้เพราะเหมือนกับเวลาเรารู้สึกว่ามันไกลแล้วก็๋ยวาค่อยทำก็ได้ใช่เหมือนกันบ้านสมมติครูบอกอ้าวเดทรายอีกหนึ่งเดือนอาอีกตั้งเดือนเดี๋ยวฉันค่อยทําไปรอวันที่สิบเก้านี่แหละใช่ไหมครับ วันที่สิบเ้ค่อยตาดีตาเหลือก็คือธรรมชาติของมนุษย์เรามองอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ตอนนี้ว่าไกลถ้ามันไม่ใช่ตอนนี้มันไม่ใช่ความสุขตอนนี้มันไกลหมดเลยเพราะฉะนั้นพวกเราก็บอกนะครับพวกเขาเนี่ยมองว่ามันไกลแต่เราแล้วมองว่ามันใกล้คาถามก็คือผู้ศรัทธาเราจะมองตามใครคําตอบอยู่ที่พฤติกรรมของเราไม่ใช่คำพูดพอพูดผมก็พูดที่สวยได้ผมมองมันใกล้ผมมองเหมือนพูดเหมือนกับเราเนี่ยแหละ โอ้หนูมันก็เกิดขึ้นแล้วแต่พฤติกรรมแหละถ้าพฤติกรรมคุนมันสวนทางกับที่คุณพูดก็แปลว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มองว่ามันใกล้เรามองว่ามันไกลต่างหากอันนี้เป็นคําถามที่ว่ามุสลิมควรที่จะต้องถามตัวเองบ่อยๆครับอินนّ ه ُ م ْ ي เรานْ ن َ ه ُ بَعِيدًا و ร ن َ ر َ ا ه ُ ك َาِ ي ْ ب ً ا ي و م ก تَكُونُ السَّمَاءُ كَلِمُ وَتَكُونُ جِبَالُ ในตรงนี้ครับที่พเราพูดถึงภูเขาอีกครั้งหนึง่ง แต่ก่อนนั้นพวกเราบอกว่าในวันที่ท้องฟ้าจะเป็นเช่นทองแดงที่ถูกหลอมละลายเราเคยใช่ไหมครับช่วงก่อนดูที่ตกปลิงบางทีแบบดูท้องฟ้าแล้วมันน่ากลัวครับที่มันสีแดงแบบแดงแปลกๆอ่ะแล้วพวกเราบอกว่าในสภาพความน่าสะพรึงกลัวของวันสิ้นโลกอันนี้คือวันสิ้นโลกพูดถึงวันสิ้นโลกกันวันที่ท้องฟ้าจะเป็นเช่นทองแดงที่หลอมละลายแล้วภูเขาก็จะเป็นเช่นขนสัตว์ที่ปิววันปิววันอีกแล้ว ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود ا ل م ش ر م لو ي ف ت ر ي من أذاب يومئذ ببنيه و ص ه ِ ب ت ه وأكيه وفصيلته التي تؤي ومن في الأرض مئان ْ م ينتي كل إنها لذة نزعت للشواب แวกล่วไงครับในวันนั้นแหละลา يسأل حميم حميما ที่อัลลอพูดไว้ก็คือ ฮามีมฮามีมแปลว่าอะไรครับคนที่รักกันแบบรักกันแบบตายแทนกันได้อะในดุนยาอย่างวัยรุ่นนะครับฉันรักแบบฉันปกป้องมันคือฉันออกตัวแทนมันได้ตายแทนกันได้ภาษาอับใชยครัว่าฮามีมรักกันแบบร้อนแรงฮามีมันฮามีมาเพราะว่าบอกในวันนั้นนะครับวันแห่งการฟื้นคืนชีพวัในการสอบสวนเนี่ยคนที่รักกันจะไม่ถามไถ่หากันปกติถ้าเกิดเดืนหนีรอดไม่ต้องถามกันใช่ไหมครับ ไอ้ลูกฉันเป็นยังไงบ้างไอ้สามีผู้ครองภรรยาฉันเป็นยังไงบ้างจะถามแต่คนที่รักกันแต่พอเราพูดถึงความน่าสะพรึงกลัวของวันเกียร์มาที่เกินจินตนาการว่าในวันนั้นคนที่รักกันจะไม่ถามไถ่กันเลยเกินจินตนาการแม่ยังไม่ถามถึงลูกคือเราคิดไม่ออกว่าเมื่อไหร่ที่แม่จะถึงลูกได้แต่วันเกียร์มาคือแม่ถึงลูกได้แล้วไงต่อครับยูบัสสรูนะฮุมพเพราะว่ากล่าวในคัมภีร์นครับคนที่รักกันตายแทนกันได้ ไม่แถมไทยถึงกันทั้งทั้งที่เห็นหน้ากันเห็นตากันเห็นสายตากันแล้วเป็นไงครับเลี้ยนกันฉันไม่รู้จักมันทําไมฉันถึงไม่รู้จักมันครับในในดุนยานี่ฉันทําอะไรกับมันสารพัดมันมันฟ้องอะไรกับฉันกับวอลล์บ้านก็ไม่รู้หมันจะเป็นเหตุให้ฉันตกต่ําแค่ไหนก็ไม่รู้ไอ้ดุนยาเนี่ยลากันเยอะเกิน ถึงเวลาหนี้ไปด้วยกันช่วยกันไปทําซีนาทําบาปทำฮารอมทำอะไรด้วยกันโอ้ก็นิดแต่ถึงเวลาโลกหน้าปุ๊บเจอหน้ากันนี่เลี่ยงเลี่ยงไม่รู้จักกันไม่มองหน้ากันแค่นั้นไม่พอครับอยู่บัสซารูนะฮุมยาวดุนมุชิมุเลยัฟต์ดีมินอาซาเบียอมอิซิมเดีวมิอิซิมบีบานีฮิในวันนั้นครับคนบาปเอาเราใช้คําว่าคนบาปเขาจะปรารถนาหวัง ว่าจะขอใช้คนที่เป็นลูกหลานขอใช้ลูกหลานนะครับไยถอนตัวเขาเองคือฉันมีความชั่วร้ายเนี่ยทั้งหมดเดยไปลูกหลานของฉันเนี่ยเอามัลงในลูกแทนฉันได้ไหมคิดขนาดนั้นครับไปเรียกลูกลักหลานใช่ไหมครับวันโลกหน้าเนี่ยด้วยความน่าสะพรึงกลัวของมันเราอาจจะแวบกับอัลลอฮ์ว่าเอาพวกนี้มันเป็นลงในลกแทนฉันได้ไหม ว่าซอฮิบัติฮีวะอาคีไม่งั้นก็เอาคู่ครองฉันไปก็ได้เอาพี่น้องฉันไปก็ได้เอาญาติพี่น้องฉันไปก็ได้เอาคนที่เคยมีบุญคุณกับฉันที่เคยให้พระพีกับฉันเนี่ยเอาไปก็ได้ว่ามันฟิลอาดิจามิอันซุมมายุจีหรือไม่งั้นก็เอาวะเอาทั้งโลกลงนระกให้หมดเลยยกเวน้นฉันสักคนได้ไหมนี่คือไม่เหลือความรักอะไรแล้วจริงๆคือไม่เหลือจริงเลยเพราะนั้น คนที่มองหน้ากันรักกันอยู่ใช่ไหมครับลุนยาถ้าไม่ทําตัวดีๆนะถ้าไม่รักษามานด่ดีๆนะโลกหน้านี่คือจะบอกกับเราว่าแล้วเอาไอ้นี่ไปได้ไหมัล้วเอาอีนี่ไปได้ไหมเจอแน่ เ, เอนไไจอแน่เพราะนั้นผู้รัพูดในยะกุรานะครับสุรที่หนึ่งในอายะที่น่าสะพรึงกลัวอธิบายถึงนรกอย่างน่าสะพรึงกลัวคืออายะนี้ผู้รับอกว่ากันละอินนาละดะนสแะตะลิชวะ ไม่เลยแท้จริงมันเป็นเปลวไฟนาลกที่ว่ามันแผดเผาที่มันจะกระชากผิวหนังออกมาด้วยกับความร้อนกระชากด้วยกับความร้อนคิดถึงคิดกระชากด้วยกับความร้อนครับอาจารย์ลองจินตนาการนะครับว่า เ, เนื้อกระทะเวลาเอาตั้งกระทะที่มันโอนแต่แต่แล้วเอาชีสไปใส่อ่ะครับแล้วกีบออกอ่ครับ พอร้องใช่คว่านาซาอัติชวานี่คือเป็นหนึ่งในยาที่ฟังแล้วมุสลิมเราควรจะสยองโดยเฉพาะคนชอบกินเนื้อกระทะนะครับเวลาจิ้มมานะครับก็คิดนะครับนสซาอัติเชวาเือเป็นแบบนี้แหละถ้าฉันไม่เป็นบาสที่ดีของอัลลอฮ์เนี่ยตอนนี้ฉันกำลังกินอยู่ แต่อาจารย์ทั้งหมดที่นี่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นอามีนอามีนอามีนอามีนขออวยวาเจ้าลอสครับรวมทั้งพี่น้องที่รับชมอยู่ด้วยนะครับผมปีใหม่ใหญ่กินเนื้อจปีใหม่ครับมุสลิมเราควรจะมีความสุขกับปีใหม่หรือว่าครจะเสียใจกับปีใหม่เสียใจใหอเเพรุ่งนี้นี้อลีอโอเคครับนวันนี้เวลาไม่ได้งั้นพรุ่งนี้ค่อยแตะเรื่องประเด็นของปีใหม่กันสักนิดน้อยนะครับก็ขออวาเร้าลอสครับว่า ขอให้เราเจอเนสะอัตริชวาแค่โลกุญญาก็พอแล้วตอนกินเนื้อกระทาแค่นั้นก็พอนะครับผมเจะไปเจอในโลกหน้านะครับแล้วก็ขอได้ว่าจะร้องเราผิดพลาดตรงไหนไปขอร้องยกโทษเมตตาให้กับเราขอให้เรานะั้นมีความอดทนขอพ่อร้องนั้นให้เรามีความอดทนพอที่จะมีชีวิตยอยู่ต่อไปในสาระบ่าวที่พวงรักได้ด้วยเถิอาเมนครับผมสุบภานก้องร้องไม่พิพิกาชโนลาลัตักกัตูริสราอิมิบุลลล้อมวบบารกาตุครับผม